จากบ้านาไปห้าหกปี บวเ็ทีสูนเสียคว่ามดีที่น้องมานาถูกมารจังคมหลอกขายรอตายกลับมาอยากไปเยี่ยมไปหากลัวเอาน้ำตาไปอวดแม่ชีสุขเิดแม่ชี อยู่ดีเท่านั